ชาวิสัชนาธรรมกับท่านหลวงตาโนลงสักดิขีนานโยตอนเมื่อเปิดใจก็ได้ทำมันเป็นความเคยชินหรือเปล่าคะหงตาคือเขาเขา้าที่หลงตาพขาเข้าใจแต่ว่าแต่ว่ายังทำไม่ได้ ตัวที่พยายามจะทำก็ใจเอาเขาเข้าใจมันก็เป็ขนขันห้างั่นเนี่ยเราไม่ปล่อยให้ขันห้ามทางานในอิสระไปขันห้ามก็คิดยังพยายามจะเอาความเข้าใจแต่กลายเป็นตัวเราจะเอาความเข้าใจเนี่ยเราจะเอาตัวเรานี่ไปทําความเข้าใจไอ้ตัวเราทำาเข้าใจคือไอ้ตัวเนี่ยไอ้ตัวขันห้าเนี่ยมันจะไปทําความเข้าใจไอ้ตัวเรามันไม่มีหละตัวเรามันไม่มีแต่ใจที่ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยมันทําอะไรไม่ได้มีแต่ขันห้ามก็ทําตอนนี้เราจะเอาไอ้ต really ัวเราเนี่ย มันไปไปทความเข้าใจต้องต้องย้อนกลับไปดนินมิค่าหลวงตาตอนที่หลวงตาไปเทศที่โค่านะคะ่ะแล้วคุณบมอต็อกเตอร์มีไลน์มาบอกว่าอยู่กับผู้รู้ไม่ใช่อยู่กับสิ่งที่ถูกรู้ค่ะตอนนั้นก็ง ง, งอยู่แล้วก็ไปฟังซีดีหลวงตาก็เริ่มเริ่มเข้าใจ แต่ตัวเองไม่คิดว่าทำทำยากคงทำไม่ได้แต่เมื่อวานเนี้ยที่ฟังหลวงตาเทศข้างนอกอะค่ะแล้วก็ตอนเช้าที่หลวงตาเทศที่จิฟังอะรู้สึกว่าเข้าใจคือเข้าใจในคอนเซ็ปต์ก็คือเหมือนคัน5้ามันเข้าใจอะค่ะหลวงตาแต่พอเอาปฏิบัติจริงเนี้ยค่ะก็ก็ก ก็อย่างที่ยลางตาเห็นมันก็ยังมีเราอยู่อะค่ะหลวงตแต่ความเข้าใจนี่คิดว่าตัวเองเข้าใจเข้าใจเลยว่ามันเป็นขนง้าทั้งนั้นมันเป็นดินน้าลมไฟก็มีรู้เข้ามามีวิ ญ, ญญาณธาตุเข้ามารู้แต่มันไม่มีตัวเราแต่เพราะภาคปฏิบัติมันก็สอบตกหลวงตาก็ไดกมีแต่ความจำมเฉยมันไม่เห็นในในแขนง้าเนี่ยคือไอ ไอ้ไอ้ร่างกายเนี่ยที่เป็นดินน้ํำลมไฟแล้วไอ้พอมันวิญญาณธาตุมารวมอีกธาตุหนึ่งเป็นห้าธาตุมันก็เลยเหมือนไอ้เอุ่นยนต์ไปตุ๊กตาบาร์บี้ที่มันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์แต่ที่เราเห็นสิตธิยาเนี่ยคือสิทธิยาไอ้ตัวขันท่าเนี่ยไปคิดทําความเข้าใจไอ้ตัวขันท่าเนี่ยไปคิดทําความเข้าใจ แต่ฟังแล้วคือไอ้นี่ไอ้ขันหน้าเนี่ยมันก็คงเป็นเหมือนในไอ้หุ่นยนต์เนี่ยแต่ตัวเราไม่ใช่ขันหน้านี่ไม่ใช่ไอ้ตัวที่ที่เหมือนหุ่นยนต์ตุ๊กตาบาร์บี้ที่มีชีวิตชีวายนี่ตัวเราไม่ใช่ตัวนี้ไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเราเนี่ยจริงๆมันไม่มีตัวเราเราพูดเนี่ยคือว่าเพื่อเป็นเพื่อเห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยไม่ใช่ตัวเราไอ้ขันหน้าเนี่ยไม่ใช่ตัวเราก็ปล่อยมันคิดไปอะไรเนี่ยตัวเราไม่มีไง อไอตัวไอตัวเนี้ยมันไอตัวขาหน้าเนี้ยของของดิษยากำลังกาลังคิดจะทําให้เข้าใจเนี้ยเมันก็เป็นเรื่องของไอตุ๊กตาบาร์บี้ที่กำลังคิดเนี้ยแต่เราไอตัวนี้ไปคิดจริงๆเลยไอไอตัวไอตัวหุ่นยนต์เหมือนไอตุ๊กตาบาร์บี้มันเอาไอตัวนี้ไปคิดจริงๆจังเลยเราอไปคิดจริงจังเราไม่เห็นว่าไอตัวขาหน้ามกําลังคิดงเนี่ยเราไม่เห็นไอตัวขาหน้ากำลังคิดแต่เราไอตัวเราไปคิดจริงๆจัง ไปคิดจะทำความเข้าใจจริงจอย่างอย่างตอนนี้เขาหนูตามันเหมือนเหลือบเข้าไปดูว่าเอ๊ะนี่เรากำลังคิดอยู่หรอเปล่าอย่างเงี้ยมันก็ไปดูว่าหนู้าบอกว่าเอาตัวเราเข้าไปคิดจริงจริงๆจังก็เหมือนก็เหลือบเข้าไปดูว่าเอ๊ะนี่นี่เราคิดจริงๆริงจรงจังเลย่ะให้มุมมองมันกลับด้านมุมมองกลับด้านคือเราเอาตัวเราเนี่ยพยายามไปมุมมองเอาตัวเราเนี่ยพยายามไปมุมมองพยายามไปค้นไปค้นหา แต่มุมมองกับด้านมันเห็นในตัวเราเนี่ยไม่ว่ามันจะทําอะไรมันก็เป็นเรื่องของขันนาหมดเลยมันจะมีความรู้สึกนึกคิดอะไรมันแค่มุมมองกับด้านอะไรเงี้ยแต่เราตัวเราเนี่ยเป็นตัวตั้งและเหมาะมุมมองพยายามทำความเข้าใจให้ได้พยายามเค้นความรู้สึกพยายามเค้นความเข้าใจแต่มุมมองมันไหนตัวนี้พยายามจะเค้นความรู้สึกเค้นความเข้าใจไงมันก็กลายเป็นในตัวไอ้ตัวเหมือนไอ้ตัวหุ่นยนต์ที่มันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ได้มันกําลังเค้นความรู้สึกเค้นความเข้าใจ แต่มันเห็นในตัวเนี้ไม่ว่ามันเห็นได้ตัวไอ้ตัวไอ้ขันหน้าเนี่ยมันจะเข็นความรู้สึกไงทำความเข้าใจยังไงมันก็เป็นตัวไอ้ตัวที่ของขุนยศไอ้ตัวขันหน้าที่ทําความรู้สึกอันนี่มันไม่ใช่ว่าเราไปเข็นความรู้สึกเข็นขวาเข้าใจเอาจริงๆริงยังจางไอ้ขันหน้าปเ็นแต่ให้ได้ขันหน้าเนี้ยมันจะทําอะไรมันก็เป็นกริยาการของขันหน้าพราะมันเห็นแต่มีแต่ขันหน้ามีแต่ขันหน้ามีแต่ขันหน้าตัวเราไม่มีแค่นั้นแหละ ถ้าเราจะเราลึกไว้เสมอว่าตัวเราไม่มีมีแต่ขันหน้าตัวเราไม่มีมีแต่ขันหน้าอย่างนี้มันจะใช้ได้ไหมคะหลวงตาเราไม่เห็นมันไปเรื่อยๆเลยเห็นว่าเนี่ยไอ้ตัวที่มันมีเราไม่จะไปท่องว่าอย่างเดียวเราเห็นไอ้ไอ้ตัวที่มันแสดงกิยาการมีความรู้สึกนึกคิดม่มันเป็นเรื่องของขันหน้าแต่แท้เราไม่ไปทําทอะไรกับมันตัวเราไม่มีงันเป็นแต่เรื่องของขันขันหน้าแต่แท้เตัวที่เคลื่อนไหวมีควารู้สึกนึกคิดอารมณ์เป็นตัวขันหน้าแต่แท้ตัวเราไม่มี ก็จะเราไปสอนมันเราพยายามไปสอนมันแล้วรายการว่ากลายมีตัวเราอีกอันหนึ่งเอาใครใกล้จะเข้าใจเชื่ออธิบายแล้วเชฟอธิบายกรณี น, นี้ขับไปทํามามันจะเข้าใจกันได้แน่คือที่เหมือนเคยเห็นสภาวะที่มันแยกธาตุแยกขันนะคะ่ะคือมันเห็นว่าความคิดเป็นส่วนหนึ่งความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งจิตเป็นส่วนหนึ่ง มันเห็นเองเลยค่ะไม่มันไม่ได้ต้องทําอะไรคราวนี้พอมันเห็นแล้วเนี่ยมันเชื่อมันมันมันเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่เราแต่ว่ามันยังมีความยึดเป็นเราอยู่อะค่ะมันบางบางสภาวะเนี่ยมันเห็นแล้วว่ามันเป็นสภาวะที่ไม่มีการยึดมันมันเหมือนเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นมาเฉยๆอย่างที่เอรายงานหลวงตาไปเมื่อวานนะคะว่า มันเป็นสภาวะที่ไม่ได้มีเอี่ยวกับมันมันเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นโดยไม่มีผู้ไปลองรับอะค่ะแต่กับอีกอันหนึ่งคือเป็นสภาวะที่มีตัวเราเข้าไปลองรับอะค่ะคือทิดเห็นเป็นสองอันอยู่ตอนนี้ค่ะค่ะอา้าวใครจะอธิบายเพิ่มเติม <ๆ S 2> ได้บ้างอ่ะหวานอธิบายที่อ้าทําท่าจะเข้าใจได้เหมือนกันนะครูหาเนี่ย ม, มันเหมือนมันเหมือนในเส้นยาแดงผ่าแปดเลยในความ เข้าใจเนี่ยมันมันเหมือนอิดเดียวมันติดติดอะไรกันมันมันนิดเดียวเนี่ยมันเหมือนเส้นยาแดงผ่าแปดเลยอ่ะมันคล่แยๆกับด้านเลยอ่ะไอตัวหุ่นยนต์ไอตัวเราเนี่ยมันจะทํากาเข้าใจเขียนให้ได้เลยเขียนให้มันเข้าใจตามที่เราพูดเอ๊จันพูดมันมันเป็นยังไงในขันห้าขันหน้าขันหน้าเราเราจะหลุดพ้นจากขันห้าได้ยังไงก็พยายามคิดใจ แต่แทนที่เราเนี่ยมันหมกมุ่นแต่อยู่ในตัวเราแต่เหมือนกับมีตัวเราอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่เห็นตัวเรากำลังหมกมุ่นอ่ะแต่เราเอาตัวเราเนี่ยหมกมุ่นจริงๆจังเลยอจะทํำยังไงชักเข้าใจมันเหมือนกับมีติดอะไรมีที่ใดหน่อยมันเหมือนกับจะเข้าใจเออจะเข้าใจมันเอาไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวขันห้าเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวที่มันจริงๆจังเลยอ่ะ แต่มันลืมไปเลยว่าเหมือนกับเราจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่มันเห็นในตัวห้าไอกับตัวขันห้าในกำลังสแสดงสแสดงกิริยาการกจรงิงจริงนะจัไอ้ขันห้าเนี่ยมันก็อย่างนั้นแหละมันก็มันก็เปลี่ยนแปลงไอกิริยาท่าทางก็เปลี่ยนแปลงไปความรู้สึกนึกอารมณ์ก็เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปมันก็เสื่อมไปเสื่อมไปมันก็ดับไปคือไม่มีตัวตวนคือไม่ได้มีตัวตนคงที่อืใช่ใช่ เออใช่ใถูกต้องผู้ผววรู้เนี่ยไปด้วยกันไหมครับว่าจิตกับผู้รู้เนี่ยครับไปด้วยกันหรือเปล่าไอ้จิตเป็นก็คือจิตที่มันปรุงแต่งก็คือไอ้ขันห้าเนี่ยที่มันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อะไรเนี่ยเขาเรียกว่าจิตปรุงแต่งไอ้ผู้รู้ก็คือว่ารู้ไอ้ขันห้าเนี่ยไม่ใช่ตัวเรา รอจิตที่มันมีความรู้สึกไปคิดอารมณ์ปรุงแต่งเนี่ยไม่ใช่ตัวเราไร่ร่างกายเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวเราเพราะไอ้ตัวเนี้ยมันไอ้ตัวขาน่าของเนี่ยที่เป็นตัวเราเนี่ยมันเป็นไอ้ที่มันไอ้ขัน่าที่มีความรู้สึกไปคิดอารมณ์ได้มันเป็นตัวปรุงแต่ง ไ, ไม่ใช่ปรุงแต่งคือส่วนผสมคาว่าปรุงแต่งคือมันเป็นส่วนผสมออ ควาส่รนผสมของธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟและก็ธาตุรู้หาธาตุเขาเรียกส่วนผสมปุ้งแต่งพอปรุงมาแล้วมันทำให้ม huh. ีความรู <funnel ing> ้สึกและคิดอารมณ์ได้ทําให้มีร่างกายขึ้นมาได้่มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็คงจะต้องไปเริ่มต้นใหม่แต่ไหมครับก่อนที่จะมาถึงตรงนี้เป็นผู้รู้เป็นอะไรพวกนี้จะต้องมาอย่างไงมันต้องมาเราจะต้อง ทำยังไงถึงจะมาถึงตรงนี้ได้อย่างเงี้ยครับจะต้องทำยังไงหมายความว่าก่อนที่ผมจะมาเป็นผู้รู้ ม, คมคีความคิดความคิดหรือเป็นผู้รู้เป็นอะไรพวกนี้ครับเราจะต้องไปเริ่มต้นาใหม่มาไปทำตัวอย่างนั้นถึงจะมาถึงตรงนี้ได้ไงเราเราจะเริ่มเลยอยากแก อ, อยู่ในสภาพของเป็นผู้ผู้รู้อยากรู้ผู้รู้อะไรพวกนี้ ผู้ถูกรู้อะไรพวกนี้ก่อนจะมาถึงขันห้าเนี่ยครับเราจะเริ่มต้นต้องเริ่มต้นมาแบบใหม่าฝึกไปทดลองปฏิบัติมาแบบเริ่มต้นมาใหม่แต่อย่างงี้มันต้องพูดกันยาวเลยเดี๋ยวเดี๋ยคล้ายๆกับอย่างเงี้เดี๋ยวอย่างงี้มันจะยาวเลยเดี๋ยวจะมันไม่มันไ ม, ม, นไ ม, ม, นไม่มันไม่ลงล็อกตัวนี้สแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ตั้งหลักไ่ตั้งหลักไปตั้งหลักมันเหมือนจะเข้าใจตามไปได้เลยไม่ได้จระศรีคืนไปตั้งหลักต้องเอาทฤษฎีก่อนอันนี้เรื่องยาวเลยตอนเนี้ยกลายเป็นเรื่องยาวเยวเอะคือคล้ายๆกับว่าขณะที่เราเห็นตัวเราเนี่ยทำความคิดทำความเข้าใจอยู่อะครับความเคยชินเก่าๆก็คือว่า พยายามให้มันเข้าใจเหมือนทางโลกคิดอะไรก็ให้มันคิดออกแต่ว่าทางธรรมพอเห็นเรากำลังคิดเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เห็นมันเป็นแค่ขันท่าเราไม่ต้องไปตอบสนองมันก็คือจบที่เห็นก็หมายถึงว่ามันจะเข้าใจธรรมก็เข้าใจมันไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจคือไม่ต้องให้มันอยากได้อะไรขณะจิตที่เห็นนะครับก็เหมือนกับคงปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นแค่แค่เห็นก็พอแล้วครับ คือแม้เราพยายามเค้นคิดเนี่ยเราเห็นว่าเราพยายามเค้นคิดเพื่อเข้าใจเนี่ยคือจริงๆแค่เราเห็นตรงนั้นอ่ะมันก็พอแล้วแต่พอมันมันเลยกว่าคือเราพยายามคิดพยายามเค้นมันเนี่ยเราก็จะช่วยมันเราเราจะช่วยตัวขันท่าคือช่วยตัวเราเองให้เข้าใจทำแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยไอ้ตัวเราที่ถูกเห็นเนี่ยไอ้ตัวที่เราจะเข้าใจทำเนี่ยไม่มีเพราะถ้าเรายิ่งพยายามเนี่ย มันมันมันก็จะสนองตอบเราอะครับก็คือแค่ขณะนั้นที่เห็นอะก็คงให้มันเป็นอย่างนั้นนะครับาเหมือนกับเห็นเห็นเล่าเหมือนเห็นคนอื่นเวลาคิดเวลาอะไรอะครับมันก็จะไม่มีเยื่อใหญ่ครับไม่ไม่แน่ใจจะยิ่งทำให้งงหรือเปล่า <c oughs> ครับหลวงตาไอเออย่างอย่างเขาอุหานวอมันจะต้องไปทำความเข้าใจเรื่องอะไรมาก่อนจะต้องีปทำวิธีปฏิบัติงานมาก่อนมาถึงไ้ตรงไง ไอ้ส่วนที่พูดได้ตรงที่เราพูดตรงนี้ต้องจะเข้าใจตรงที่เราพูดได้ความจริงมันเข้าใจตรงนี้ไปได้เลยไม่ต้องไปไมเจำเป็นต้องทํากรรมวิธีอะไรมาก่อนพอดีกวานไปกังวลกับว่าจะต้องไปทำกรรมวิธีอะไรมาก่อนมันแปลเข้าใจตรงนี้ได้มันมันเลยไม่ทิ้งไงเอชิตสตีไม่ทิ้งกรรมวิธีมันเลยแบบว่ามันไม่ไล่ตามความเข้าใจอยู่นี้ตอนนี้เลยมันมันไปติดตรงอมันคล้ายๆกับ มันเดี๋ยวจะต้องไปทำควาเข้าใจมาก่อนจะต้องไปปฏิบัติอะไรามาก่อนอะไรเงี้ยมันคล้มือนท่านนันเนี่ยติดท่านนานันมันเย็ยนบางวันเนี่ยโดนโลว่าไปยังเข้าใจไม่ได้ร่ะยังมันยังไ ม, ยงไมไ่ยังไม่ได้ปฏิบัติมาถึงขั้นนี้มันยังยังเข้าใจไม่ได้เลยไปคิดเตะอย่างเนี้ยท่านนันอ่ะพอสอนที่ไรมันไม่ไปไม่เข้าใจสตรีพอสอนอย่างนี้ก็ไม่เข้าใจที่ว่ามันมันจะ ที่พูดแต่มันก็เลยไม่ไม่กัดติดทำความเข้าใจตรงนี้ไปเลยมันคิดแต่ว่าตรงนี้มันยังไม่เข้าใจได้หรอกเรายังไม่ได้ปฏิบัติมาถึงขั้นนี้ยเรายังไม่ได้ลงมือเลยเราจะมาเข้าใจตรงที่ก็พูดตอนนี้เดี๋ยวเนี้มันไม่ได้แล้วพอมันไปคิดอยู่ตรงนั้นอ่ะมันเลยไม่ไม่เข้าใจตรงเนี้ไม่รู้จะพูดยังไงมันให้มีกรรมวิธีอะไรเลยคือแต่มไปติดตรงความคิดตรงเนี้แหละ ไ ม, ไ, ม ไ, ม ไ, ไม่ต้องไม่ต้องคิดตรงนั้นก็ได้ความคิดทู่รู้อะไรไม่ต้องไปพูดถึงตรงนั้นก็ได้ไอ้ไอ้ขันหน้าก็คือความคิดอไอ้พุทธิไอ้ไอ้ขันหน้านี่เข้าใจนะนนนนนบุรุขันเข้าใจเรื่องขันหน้าไหมเขาเข้าใจไหมเขาเข้าใจเรื่องขันหน้าไหมมันเป็นยังไงอันนีนป่าที่ขันหน้าเปไง ก็อยูในร่างกายเราเนี่ยครับมีเป็นสารข้าขึ้นมามีเกิเนาตต่างกันอย่างานี้คแต่ว่ามันรู้ว่ามันเป็นอนิจจังอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่เกิอตัวไม่ เ, เที่ยงไม่แท้แต่ว่าตรงนี้ที่มันไม่ เ, เที่ยงไม่แท้เนี่ยเรามีก็ยังฝังอยู่ว่า เ, เป็นตัวตนอยู่มันเล่นเวทเก่ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ารมันไปเอาทฤษฎีคนละทฤษฎีกันคนเราพูดตรงนี้พยายามเอาไว้ทฤษฎีตรงนี้ไปฝังใจแล้วก็พยายามจะกลับไปทำความเข้าใจตรงทฤษฎีนั่นแท้แท้ไปไม่ถูกเลยมันเหมือนกว่านใจเข้าใจแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะเอ้ไม่น่าเชื่อมันกลับวนกลับไปไงไม่ทราบวนกลับไปทฤษฎีเลยมันเหมือนจะเข้าใจแล้วเมื่อกี้เอะมันมันมันมีอะไรนะทำให้ลงมาเนย มันดูดูมันจะเข้าใจตามได้ทันทีแล้เมื่อกี้เนี่ยมันจะพลิกกลับหลําได้เลยอ๋อมันจะถึงบางอ้อเลยในในคุณหาเดียวเดียมันต้องไปไปมีทฤษฎีอะไรดิจังทุกขังอนัตตาเลยมันไปโน่นเลยมันไอไอไอที่พูดมันจะได้พูดถึงนั้นเลยมันไปเรื่องอะนิจังทุกขังอนัตตาเรื่องผู้รู้เรื่องจิตที่คิดเรื่องอะไรมันจะไปคนละมันไปอย่างนู่นเลยมันไปคิดอะไรมันไปออกไอมันไปออกนอกที่กำลังคุยกันแยกแยกไม่ออกความคิดกับ ขันหนี่ไปด้วยกันนะหรือแยกกันออกได้ไไอ้ความคิดเนี่ยคือขันห่านี่แน่ที่คิดไอ้ผู้อผู้คิดเนี่ยก็คือขันห่านี่แหละผู้คิดแยกไม่ออกหรอกมันคือขันห่านี่เอ็นี่ผมมาฟังองาของพวผมก็เลยทาให้ผมสับ่ขันห้าก็คความคือความคิดอะไรเนี่ยฮะเรื่องขันห้าไปนะไอ้ขันห้าก็คือความคิดอะไรเนี่ยเออ ก็เลยครับเมื่อสับสนไปครับสับสนยังไงอ่ะสับสนเอ๊ะมันมันไม่แยกกันออกได้รู้ยังไงอ่ะคิดก็คือคิดขันก็คือสันไปมันเป็นไงปอนในบายให้เราฟังแบบนี้เอาอ้าวกวาเขาก็ใจยังไงเอานั้นดิอ่าอ่าออเหมือนคุณลุงเขาเข้าใจว่าเอความคิดคืออะไรผู้รู้คืออะไรคุณลุงเขาพยายามจะจะแยกว่าไอ้ผู้รู้กับเอกับ ความคิดอะ่ะมันใช่ตัวเดียวกันไหมหรือว่าลุงเขาก็เลยสับสนวนกลับไปที่เดิมเหมือนเดิมอะคะ่ะคือไม่สามารถแยกได้ว่าความคิดคืออาการของคันห้าคุณลุงเขาก็เลยแบบ อ, อ้าวแล้วไอ้ความรู้ผู้รู้นะ่ะ ม, ม, มันมันมันอยู่ตรงไห น, นเอาไงเอกอเอขออนุญาตทางเขาลงการเป็นความเ ข, ข้าใจผมครับคันห้านี่คือ รูป เ, เวทนาสัญญาสังขารบิญยาณเช่ไหมครับลุงกรครับครับงั้นยังคงเข้าใจผมเข้าใจว่าก็คืออ่าเวลาหลวงตาสอนนะครับพวกเราก็จะฟังฟังแล้วเราก็จะเอาขันทั้งห้าเนี่ยเอาเอามาปรุงครับเอาเอ า, เอาประสบการณ์เอาอะไรเอาสัญญาที่เราเคยฟังมาเนี่ยเพื่อมาพยายามทำความเข้าใจปรุงเพื่อจะได้แบบเข้าใจเข้าใจแต่ว่าอ่าเราก็ระหว่างที่เราปรุงเนี่ยเราก็ลืมดูว่า ไอ้ที่เราปรุงเนี่ยเราไม่เห็นว่าเราปรุงผมเข้าใจ ว, าว่าอย่างเนี้ยครับไม่ทราบว่าใช่นะครับหลวงตาครับแต่เราก็คือพยายามจะจริงๆเข้าไปว่าจะทาความเข้าใจอ่ะครับแต่ว่าเราไม่เห็นว่าตอนนั้นเรากําลังพยายามทําความเข้าใจอยู่อย่างนี้ยครับเออชออเออเออทุกๆเอาควาเข้าใจไหมที่ที่แต่ละกองเขาเอธิบายเนี่ยคือไม่ได้ฟังเออว่าไงอ่ะเนี่ยดีๆกองเขาเข้าใจ่ ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยเข้าใจือว่าุกนั่งนั่งกาลังคิดนั่งใเรื่องแต่ไอ้ที่เรามสงสัยอยู่ไม่ได้รับคำตอบใช่ไหมอะไรไกว่ากำลังคิดแต่เรื่องที่ตัวเราสงสัยมันยังไม่ได้รับคตอบเลยไม่ได้ฟังที่กองกขพูดนะ อะไรบางอย่างบางที่อยู่ในตัวของตัวเองเรจะต้องผ่านตรงนี้ให้ได้เดี๋ยวเดียเดีเดีผมผมไม่แน่ใจว่าคือคุณคุณคุณลุงพยายามจะใช้ทฤษฎีว่าขันห้ามันมีอะไรยังไงบ้างแต่จริงๆคุณลุงรู้ปไปเลยว่าคือสมสมสมมติว่าเวลาคุณลุงเห็นใช่ไหมครับก็เห็นตัวเองอะ่ะมีอาการนั่งคิดก็คือพยายามคิดแต่แต่ความ ความคิดของเราปรกติครับเวลาเราคิดเรื่องงานเราก็จะเอาเอาเอางานนั้นเอาปัญหาแก้ไขปัญหาทางโลกเราให้มันเสร็จเราก็จะเอาความคิดแก้ไขปัญหาทางธรรมมาให้เสร็จให้เราเข้าใจธรรมแต่ว่าเวลาจะพิจารณาธรรมเนี่ยเราแค่รู้ว่าเราคิดเนี่ยเราเราก็เห็นอาการที่คิดเนี่ยที่คิดพิจารณาธรรมเนี่ยมันเป็นอาการของจิตแล้วก็ปล่อยมันก็คือเราไม่ต้องไปช่วยให้มันเข้าใจธรรม พอมันไม่มีเราแล้วเนี่ยไอ้คนที่คิดเนี่ยมันไม่ใช่เราแล้วเนี่ยมันจะเข้าใจทํามไม่เข้าใจทําเราเห็นมันแล้วก็ละลก็ปล่อยมันตามชะตากรรมมันนะครับคุณลุงเราก็เลยไม่ต้องไปเข้าใจทฤษฎีว่าเอาความคิดแยกไปขันท้าแยกไปตัวเราผู้รู้แยกออกมาเราก็ไม่ต้องมีอะไรเลยก็คือสรุปไอ้ตัวอาการของจิตที่คิดนะครับคุณลุงเราเห็นมันคิดเราก็ ร, รู้รู้แล้วว่ามันกําลังคิดอยู่เพราะมันคิดยังไงก็ไม่เข้าใจธรรมเพียงแต่ว่ารู้อาการทุกอาการที่มันคิดแล้วเราไม่เผลอไปช่วยมันคิด ไม่ไม่เผลอไปช่วยงานมันนะครับก็ก็คือก็จบไปก็ก็คือตรงนั้นอะกับกับเป็นธรรมะอะครับก็คือแต่แต่ถ้าเราไปพยายามช่วยให้มันคิดให้มันถึงธรรมอะครับเข้าใจธรรมอะอันนั้นจะไม่เข้าใจธรรมเพราะมันจะคิดไปยาวเลยมันมันก็ไม่ได้วางไปอ่ะครับผมไม่แน่ใจว่า <laughs> ทําให้คุณลุงงงหรือเปล่าฮะครั บ, ค, รบคือคือแค่เห็นอาการของจิตนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปช่วยให้อาการของจิต มันบรรลุธรรมครับไม่ว่าเป็นความคิดหรือเป็นอะไรก็ตามเราไม่ต้องหมายไว้ว่าถ้าเราคิดได้เราก็จะถึงธรรมหรือว่าเราได้สภาวะยังไงจิตมันเป็นยังไงอันนั้นก็ได้ธรรมได้นิพพานไม่มีแค่เรารู้อาการเป็นยังไงก็รู้ตามความเป็นจริงเพราะว่าไอ้ตัวที่เรารู้เราไปเห็นเนี่ยมันเป็นตัวอาการของจิตเราซึ่งมันเป็นฝ่ายปรุงแต่งมันก็จะเป็นของมันอย่างนั้นแค่ใจเรารู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วเราไม่ไปลุ้นมัน แต่ทุกคนเนี่ยเวลาไปรู้มันเนี่ยเหมือนไปรู้ว่ากำลังคิดอะไรก็พยายามช่วยมันคิดแต่จริงเรารู้แล้วเราไม่รุ้นมันก็นั่นถูกแล้วไม่ต้องไปบอกว่ามันเป็นขันท่ามันเป็นจิตมุงแต่งมันเป็นสว่างมืดก็รู้แล้วมันก็ไม่มีอะไรอ่ะครับก็คือถ้าถ้าถ้าอย่างเนี้ยมันเราก็ไม่ต้องมีทฤษฎีเพราะถ้ามีทฤษฎีมาใส่มันปุ๊บก็แสดงว่าเราอยากเอาเครื่องมือไปช่วยให้มันบรรลุธรรมถ้าเราทิ้งทฤษฎีไปหมดแล้วก็รู้ปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ปล่อยมันไปไม่ต้องรุ้นมัน ก็เหมือนปล่อยลูกปล่อยหลานปล่อยมันเป็นไปตามกรรมพอปล่อยปล่อยทุกอย่างทุกอย่างทุกขนาดจิตนะครับมันก็จะมันก็ไม่มีอะไรเลยมันก็เหมือนก็เพียงแต่แค่เห็นมันนะครับคือปล่อยเห็นอาการข้างในแล้วก็ปล่อยแต่มันจะไม่เหมือนกับปล่อยขาดสติเพราะว่าถ้าขาดสติเราจะไม่รู้ว่าข้างในเรามีอะไรแต่ถ้าไม่ขาดสติมันก็จะเห็นข้างในครับคือเห็นขันท่าปุงแตงผมไม่แน่ใจว่าจะทาให้คุณลุงงง <laughs> คือมันสิ้นความายดขันห้าไม่ใช่ว่าเอาตัวเราขันหน้าคิดไปเรื่อยแล้วก็ใจแล้วก็ว่าลว่างๆเอาขันห้าไปทําเป็นนาการหมดเลยมันจะมันจะผิดผิดไปเลยจะผิดไปก็เลยอยางเพราะมันมันสิ้นผู้ยึดมันก็เลยใจมันก็เลยว่างคือมีแต่การหน้าแสดงกิริยาการแต่ที่กองพูดเมื่อกี้น่ะถูกต้องหมดเลยถูกต้องถูกต้องชัดที่ชัดเจนมากคือ ก็พูดใหม่ทีเขาตั้งใจให้ก่อนตั้งใจฝังกองพูดไม่ชอบไม่ทรบจะเข้าใจแล้วไหมที่กองพูดเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยแต่ ว, วัดกองพูดเนี่ยมันมันชัดมากครับอที่ผมเข้าใจครับก็คือขันขันห้าก็คือขันห้าคืออะไรมาอธิบายให้เอาไอขันห้ากับความคิดอะที่คุณรู้อะไรนี่ดีกว่าเขาเขายัางงงอธิบายให้เราให้เราเชื่ออธิบายเที่ขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะครับก็ก็คือมันก็เป็น ของเราเนี่ยแะครับอยู่อยู่ทั่วๆไปของเราเนี่ยแะครับก็ลูปเรเห็นอะไรนี้ครับก็คือเวลาฟังหลวงตาสอนทำเราก็จะใช้พวกเนี้ยครับใช้ทั้งทั้งทั้งห้าอย่างเนี่ยเอามาเอามาผสมกันเพื่อเอามาปรุงเพื่อทำความเข้าใจครับก็พยายามเราจะพยายามทำความเข้าใจเพราะว่าคําว่าพยายามมันก็คือเรายังไม่เข้าใจเราจะพยายามให้มันเข้าใจก็ต้องเอาเอารูปที่เราเคยเห็นเอารูปเอาสัญญาที่เราเคยรับรู้มา เอาสังขารของของพวกเราเนี่ยครับเอาเอาทุกอย่างมารวมกันเพื่อพยายามทำความเข้าใจเพื่อเพื่อปรุงว่ามันมันยังไงมันยังไงแต่ว่ า, เ, าเราก็ยัง เ, เราก็ยังไม่เห็นว่ามันทำงานของมันอยู่แล้วเราก็จริงๆผมก็เะเอาจริงๆเราต้องปล่อยให้มันทำงานของมันไปเราก็แค่ปล่อยไปแต่ว่าเหมือนว่าจะรู้ว่ามันทำงานของมันแต่ว่า เราก็อดไม่ได้ที่จะไปยุ่งกับมันครับก็คงประมาณนี้ครับหลวงตาครับเอา <cents> ้ทา่ไวหเดี๋ยวจะงงว่าตัวตัวกูอ่านเองมันงงเลยเข้าใจว่ามัเข้าใจก็เลยงงอ่ะแต่ว่าอย่างไงอ่ไอ้กู่พูดไงอ่ะจับตนยังไงฟังฟังทุกคนแล้วพูดแล้วับตนยังไงอ่ะ ยิ่งฟังเขยิ่งสับสนมากขึ้นหรือว่าอย่างไรอะไรตัวเนี้ยเป็นงงมันสับสนครับว่ารูปเวทนาสงฆสัญญาสังขารยินญาเนี่ยครับไอ้มันเกิดขึ้นมันบอกว่าอ น, นิจจังอนตาเป็นอ น, นิจจังเป็นอนตาครับแตผมก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะมันไม่เที่ยงไว้แท้ไม่แน่ไม่นอนมันเปลี่ยนแปลงหกขันอยู่เรื่อยอะไรพวกเนี้ยนะครับเออ แต่ ว, ว่าเวลาเรานั่นจริงๆเราเห็นปั๊บใช่ให้ให้รู้ว่าเห็นอย่างที่ ต, ตาทั้งเคยบอกหูได้ยินให้รู้ว่าได้ยินอ อ, อย่าไปปรุงก็อย่าไปแต่งเห็นรูปไปอย่าปรุงอย่าแต่งอะไรพวกนี้ยครับเดี๋ยวนี้พอถึงว่านี่มันมีความคิดไอ้ความคิดที่มันเกิดขึ้นในตรงนี้ครับความคิดที่มันเกิดว่า เห็นคนนี้แล้วโอู้รปร่างดีนะสวยนะมีเวทนามีมีความรู้สึกมีความสงสารดีดมีเมตตากรุณาอะไรตนาเราก็จะมาคิดว่าเอ๊ไอความคิดตรงที่เราคิดไปนะครับมันจะแยกออกจากกันได้ไหมหรือเราเร า, เราไม่นั่นเลยหรือเราปล่อยอย่างที่ท่านว่าเมื่อกี้นี่ท่านบอกว่าปล่อยทิ้งไปเลยถ้าเราเห็นเราก็ทิ้งไปเลย ลอป่าละเลยไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่ป่ละเลยคือมันมันคิดอยู่แต่ไม่มีใครเข้าไปยึดไม่มีใครเข้ายึดมันก็คิดจุ๊กจุ๊กจุ๊กจุ๊กุกกุกจแต่ไม่มีใครเข้าไปยึดมันเหมือนพัดลมที่หมุนเนี่ยความคิดเหมือนพัดลมที่หมุนเนี่ยรู้อยู่เห็นอยู่ว่าความคิดเนี่ยมันมันเหมือนพัดลมที่หมุนเนี่ยแต่จะไม่มีใครเข้าไปยึดได้เหมือนพัดลมที่หมุนอยู่เนี่ยไม่ไปยึดก็หมายถึงว่า ไม่เอาความคิดนั้นเป็นสาระที่ว่าจะตามมันไปที่จะมีอารมณ์ไปกับความคิดจริงๆจังๆให้เห็นเอาความคิดเนี่ยมันเป็นมันเป็นอนัตตาคือมันก็เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปยึดมั่นถือมันไม่ได้เอแล้วก็ไม่มีใครจะเข้าไปส่องแทรกแทงมันเพียงแต่ว่าเนี่ยเหมือนพัดลมที่หมุนเนี่ยก็ไม่มีใครเอาเอาอะไรไปคอยไปขัดมันความคิดก็เหมือนพัดลมที่หมุนเนี่ยไม่มีใครเอาอะไรไปขัดมันทั้งไม่มีตัวเราเนี่ยติดไปพัดลมหมุนได้เวียนหัว คือติดไปพัดลมติดความคิดไปทําให้มีทุกข์โศกเศร้าเสียใจครับแค้ใจตามความคิดจริงๆคือปิดใบพัดลมไปหมุนทําให้เราเวียนหัวหรือไปพยายามไปแทรกแซงว่าให้ไม่คิดอะไรที่มีโยงเมืถามเลว่าไอ้ทัลรู้แล้วความคิดนี่มันต้องดับไปไหมมันไม่มีอะไรดับไม่มีอะไรหรอกมันก็เกิดเกิดลำดับของมันเองตามปกติก็แล้วแต่รู้เนี่ยรู้จิตที่คิดอ่ะเหมันเหมือนเห็นพัดลมหมุนไปอย่างนี้แบบเดียวกันนครับที่ใบพัดลมมันหมุนอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเราเปิดปากแล้วเลยไปเลยเห็นอยู่รู้อยู่แต่ไม่หลงไปกับมัน แล้วก็ไม่เข้าไปแทรกแซงมันแต่ไม่ไม่เอาความคิดที่เราคิดไปน่ะไปสาระจริงๆอย่างจางังมันก็คิดตั้งวั น, นี่ะคิดคิดคิดคิดแต่เราเน่ยเห็นมันอยู่รู้มันอยู่แต่เราไม่เอามันไม่ลงไปไม่ลงไปกับมีอารมณ์ร่วมไปกับมันตาคืออย่างนี้มันจะเป็นเป็นการจัดหรือบังคับจิตเขาหรือเปล่าครับว่ า, าคืาอผงคิดว่าเขาเห็นแล้วเนี่ย ทำไมเราจะต้องไปคิดด้วยให้เห็นเฉยๆแล้วก็ไม่ต้องคิดอย่างเงี้ยครับือว่าจะทําได้ยังไงอ่ะก็ถึงว่าครับผมคิดคิดถึงตัวนี้ด้วยครับมันจะทําได้ไงถ้าเราเห็นเฉยๆโดยเราไม่เลยมันโดยที่มันไม่คิดอ่ะมันความคิดก็คิดไอเห็นก็เห็นมันคนละตัวกันให้เห็นเห็นเฉยๆอย่างเงี้ยครับไม่ใช่เห็นเฉยๆคือไอผู้คิดกับไอผู้คิดกับผู้เห็นมันคนละตัวกัน ไอ้ผู้เห็นเนี่ยมันไปทําอะไรความคิดไม่ได้ไม่นจะไปเห็นเฉยเฉยไอ้ผู้เห็นเนี่ยมันที่ถามว่าเราเห็นแล้วเราไม่คิดได้เราไม่คิดเราจะเราไปคิดทำไมไม่ใช่ทหามันคิดไม่ใช่นะไอ้ผู้คิดก็คือคิดไอ้ผู้เห็นก็คือเห็นเนี่แหละคืออนัตตาคือไปทําอะไรกับความคิดไม่ได้มันไม่อยู่ในบังคับของเราเราเป็นผู้เห็นเราไม่ใช่เป็นผู้คิดเป็นผู้เห็นไม่ได้ไปเป็นผู้คิด ไอผู้คิดเนี่ยเราไปบังคับมันไม่ได้มันมันคิดก็คิดคิดคิดคิดกันมาเนี่ยแต่เราเป็นผู้เห็นมันมันก็คิดอยู่เนี่ยเนี่ยมันผู้เห็นกับผู้คิดคนละตัวกันเราเป็นผู้เห็นแต่จิตมันปรุงแต่งมันเป็นผู้คิดน่าจะ า, จ อ, า, าอ่ออาอวาอ่าเหลืออ่าอ่าอ่าเหลืออ่าคืออาการอาการของใจสามอย่างที่บอกว่าเป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ตัวนี้เป็นธรรมชาติอยากให้ หวงตาอธิบายมาอกว่าเราอธิบายไหนว่าไงเราพูดว่าไงอ่าไหนทดลองดูซิชื่อ <c oughs> พูดไหนนะจำไม่แล้วก็พูดไปเลย <c oughs> เ อ, อ่ะอย่าถอยสิเอาไงอ่ะอาจจะพา ก, กันเข้าใจได้มันคาพูดล้อมอาจจะยังยังไม่เข้าใจหลายหลายคนเชื่อกันคุยเจ <c oughs> อกันพูดเอาไงคืออยากจะช่วยเสริมว่าทอาความความรู้สึกหรือว่าอะไรที่เรารับรับรู้ได้ได้ทางใจจริงๆแล้วมันคือธรรมชาตินะ คือธรรมชาติของใจที่บอกว่ามีสามอย่างคือความรู้สึกนึกคิดแล้วก็แล้วก็อารมณ์ตัวนี้ถ้าถ้าเรารู้สึกว่ามันเป็นมันเอ่อมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของใจอยู่แล้วอ่ะแล้วเราไม่เราไม่ไม่ไปเข้าไปยุ่งกับมันไม่ไปมีไม่ไปเหมือนแบบไปยึดถือไม่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียว่าตัวนั้นอนะ่ะมันเป็ น, เ, ปนเราตรงนั้นนะครับผมว่าคุณลุงน่าจะขาดตรงนี้ เป็นธรรมชาติที่ขึ้นมาทำเป็นที่เอ่อข้อแรกเป็นธรรมชาติของของจิตละกันที่มันขึ้นที่มันเกิดขึ้นมาในใจแล้วเราก็รับรู้ได้แต่ว่าเป็นสิ่งที่เราบังคับไม่ได้แค่รับรู้เฉยๆก็พอเ ข, เขาก็เปรียบเทียบอย่างนี้ไงเปรียบเทียบว่าที่จิตวิญาเมื่อวานทำไมเรารู้เ้วไปต้องให้มันคิดอย่างเงี้ยมันเคยกว่าไอ้รู้เนี่ยมันเปรียบเหมือนเป็นมดลูก มดลูกของผู้หญิงเนี่ยไอจิตที่คิดเหมือนเด็กที่มาเกิดในมดลูกพอคิดเสร็จแล้วก็คลอดออกไปคิดเลยมันก็คลอดออกไปแต่และความคิดเสร็จแล้วก็คลอดออกไปแต่อายมดลูกก็ได้แต่รู้ว่ามีเด็กอะไรมาเกิดในครรภ์ไอหมดลูกเนี่ยไปทําอะไรกับไอเด็กในครรภ์ไม่ได้มันเป็นฟิล์มแค่ว่าอาศัยให้ความคิดเนี่ยมันเกิด อล้วในความคิดมันเกิดแล้วมันก็หลุดออกไปดับออกไปดออไปแต่ไอ้ไอ้รู้เนี่ยมันก็เหมือนกับคันหรือมดลูกเนี่ยมันเลยเป็นคนละอันกันไม่ใช่เป็นตัวเดียวกันวันที่ที่บอกว่าเรารู้แล้วเราจะให้มันคิดเราให้มันหยุดคิดทําไมเราไม่มันหยุดคิดแลาให้มคิดทําไมอะไรเงี้ยคือไอ้ไอ้คันมันมีหน้าที่เป็นที่ว่าให้ให้ไอ้ความคิดมาเกิดเท่านั้นแหละแล้วก็คลอดออกไปคลอดออกไปไอ้คันนั้นไม่มีหน้าที่ไปทําอะไรกับเด็กอันเนี้ยเขาเขาตั้มาเลยเขายกตัวอย่างอ่างนี้มาจริงๆเขายกตัวอย่างยนี้มาเลยเั้น เค่อยเห็นว่าไอ้ผู I ้รู I ้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นคันเนี่ยมันไปทําอะไรกันไอ้ไอ้ความคิดที่เป็นเด็กในคันไม่ได้นั้นที่เมื่อกี้เนี่ยตอนที่เขากินอะไรกันแล้วก็เดินเข้าไปมีคนถามผมว่าเออเรารู้แล้วมันก็ไอ้ความคิดก็ดับไปใช่ไหมรู้แล้วความคิดดับไปมันไอ้รู้มันเป็นคันหรือว่าลูกตัวไอ้คิดมันเป็นเด็กในคันเนอไอ้บดลูกเนี่ยไม่มีหน้าที่ไปฆ่าเด็กในคันไอ้บทลูกเนี่ยไม่มีหน้าที่ไปฆ่าเด็กในคันมีหน้าที่ให้เด็กในคันได้มาเกิดแค่นั้นเอง แล้วก็ดับออกไปแล้วก็เกิดแล้วก็ดับออกไปเปลี่ยนคนใหม่เกิดแล้วก็ดับออกไปเปลี่ยนคนใหม่คนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามไอ้ความคิดจะคิดแต่แล้วก็ออกไปคิดแล้วออกไปไอ้บรลูกก็ได้แต่รับรู้เฉยว่ามีอะไรมาเกิดแต่ไอ้บรลูกเนี่ยมันก็ไม่ไปยุ่มันไม่ได้ปเป็นเด็กมันก็เลยไม่ไปทุกข์อะไรกับเด็กที่คิดแล้วมันก็ไม่มีหน้าที่ไปฆ่าเด็กในคันด้วยไม่มีหน้าที่ไปรู้แล้วทําให้ความคิดมันดับไปอย่างเงี้ยแต่ก็ก็ไอ้ตัวเราพูดแล้ตัวเราพยายามบอกเข้าในตัวเราก็ต้องให้เป็นเลยนะ พยายามบอกว่าในพวกเราก็ต้องให้เป็นด้วยไม่ใช่ว่าเราบอกเขาแต่ตัวเราก็ไม่เป็นไม่ใช่ตัวเราไปเอาความคิดเอาเป็นเด็กในคันเรากลายไปเป็นเด็กในคันด้วยไม่ใช่เราพูดพยายามบอกเขาแต่เราเองก็ยังเป็นเด็กในคันเราก็ไม่ใช่เป็นคันเป็นคันหรือมดลูกเรากลายไปเป็นเด็กในคัอนอยู่น้วยเนี่ยเราบอกเขาแต่เราก็ยังยังเป็นเด็กในคัอนอยู่ด้วยเนี่เห็นไหมถึงแม้เราจะพยายามบอกเขาแต่เราก็ยังเป็นเด็กในคันมันไม่เป็นคันหรือมดลูก เราก็ยังเป็นเด็กคิดคิดคิดอยู่เนี่ยเราเอาอาตัวเราไปเป็นเด็กคิดคิดคิดเนี่ยเราไปเป็นคันแล้่วัดลูกก็เสตีเราไปบอกพยาบาลบอกเขาแต่เราก็ยังเราก็ยังเห็นอยู่ยังเราก็ยังเป็นเด็กในคันอยู่เลยยังมีคนคิดคิดคิดคิดคิดไอ้ใจเนี่ยเขาเปียบเหมือนเนี่ยเหมือนคันเนี่ยแต่คันเนี่ยมันยังมันยังมีตัวจับต้องได้แต่อใจที่เปียบเหมือนคันเนี่ยจริงใจมันจับต้องไม่ได้ไม่มีอะไรเลยใจมันคือไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีที่อยู่ถ้าไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ยังไม่สว่างถ้าไม่มืดถ้าไม่่อองงงสทั้้ไมมศา แต่ไอเด็กในคันเนี่ยที่เป็นความรู้สึกนคิดอารมณ์เนี่ยมันไอตัวเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ปรากฏให้รับรู้ได้เหมือนกับใจเนี่ยเป็นที่รองรับของสิ่งที่ปรากฏเป็นความรู้สึกในคิดอารมณ์ที่มาปรากฏปรากฏปรากฏแล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ใจเนี่ยมันไม่มีตัว ijo. ตนไม่มีอะไรหรอกมันมีแต่รู้ได้ว่ามีอะไรมาเกิดขึ้นในใจปรากฏขึ้นในใจแล้วก็ดับไปใ น, ใ น, ในั่นแหละอยู่กับใจของเจ้าของนั่นแหละ ที่ไม่ปรากฏกิริยาการใดๆเลยแต่ความรู้สึกนะึกคิดอารมณ์ก็เกิดขึ้นในใจเนะี่ยแต่ใจกับไอ้ไอ้จิตที่มันมีความรู้สึกนะึกคิดอารมณ์มันไม่ใช่ตัวเดียวกันมันคนละอันกันก็ เ, เลยเปรียบเทียบไปเห็นว่าไอ้ใจในเปรียบ e มบนลูกไอ้ส่วนในจิตที่มีความรู้สึกนะึกคิดอารมณ์เหมือนเด็กที่มาเกิดเพื่อไม่ให้มันเป็นตัวเดียวกันมันคนละตัวกันเพราะฉนั้นที่มีใครที่บอกว่าเข้าใจผิดที่บอกว่าเรารู้แล้วความคิดมันต้องดับไปใช่ไหมเรารู้ต้องความคิดต้องดับไปมันไอ้ ไอ้บดลูกไม่มีนะครมันไม่มีไปไม่มีหน้าที่ไปฆ่าเด็กในคันให้มันดับไปไม่มีหน้าที่ก็รู้นี่มันมีหน้าที่เพียงแค่ว่าอาศัยให้มันมีความรู้สึกมันกิดมาเกิดในในคันแล้วก็ดับไปหายไปดับไปหายไปเป็นหน้าที่ของมันเองมันจะไปรู้เราไปฆ่าเด็กในคันไอ้ไอ้คันไม่มีนะครัหน้าที่ไปฆ่าเด็กมันฆ่าไม่ได้หบดลูกไปฆ่าเด็กไม่ได้ ไรมดลูกเนี่ยมันจะไหลออกไปกับเด็กก็ไม่ได้เด็กมันมาเกิดไอ้ความคิดสึกนึกิดอารมณ์มาเกิดไรมดลูกก็จะเปลี่ยนเป็นเป็นเด็กแล้วไหลออกไปกับเด็กมันก็เป็นไม่ได้เพราะมดลูกมันคงเป็นมดลูกอยู่นั่นแหละไอ้เด็กก็เปลี่ยนไปเรื่อยแต่ไอ้มดลูกมันไม่เปลี่ยนได้แต่รู้ว่ามีอะไรมาเกิดอีกแล้วเอาเด็กคนที่หนึ่งมาเกิดเด็กคนที่สองมาเกิดเด็กคนที่สามาเกิดไม่เชีมดลูกกลายเป็นเป็นเด็กแล้วไหลออกไปด้วยอย่างเงี้ยไม่มีอารมณ์ร่วมไม่มีอะไรหรือไม่ก็พยายามรู้แล้วเอดมันต้องดับไปใช่ไหมตไอ้ความดดลูกมมันนทําไไ่่้เีย เขาเลยเปรียบเทียบมันเห็นภาพพอดีไอที่เราพยายามมาตัวเราไปคิดในข้อใจที่โอเนี่ยมันก็ยังเป็นเด็กในคันอยู่เนี่ยมันก็จะเข้าใจผิดไม่เป็นมันลูกก๋าที่อะไม่เป็นลูกก๋าแต่รู้ว่ามันมีอะไรบ้าเนี่ยไอตัวที่ทาท่าทำทางทำท่าทำท่าเป็นเด็กในคันหมดทุกกรยาการนเป็นเด็กทั้งหมดไม่เป็นอโอมก็เลยกลายเป็นเด็กจริงๆเขาจะเป็นคันจริงๆไอที่ทาท่าทาท่าทําท่าเลยในใจเมื่อต้องเป็นความคิดด้วย ที่มันทําท่าจ๊กๆิกมันทําท่าอะไรมันคือเด็กในคันหมดเลยคือถ้ามันมีอาการอะไรมาเนี่ยมันมีจิ๊จิกจิกจกมันเป็นเด็กในคันหมดคันก็ได้แต่รว่าตอนนี้มีเด็กอะไรมาเกิดมีเด็กอะไรมาเกิดมีเด็กอะไรมาเกิดแค่นั้นแหละแล้วก็ออกไปเกิดแล้วก็ออกไปออกไปคันก็ได้แต่รับรั่าตอนนี้มีเด็กอะไรมาเกิดแล้วมีจิ๊จกจิกจกจก็ออกไปก็ออกไปออกไปนั่นแหละที่ว่ากูอ่นบอกว่าอันนี้จังทุกขังอันตาตาไว้เที่ยงเลยก็คืออย่างนี้เนี่ยผมเกิดแล้วก็ดับไปออกไปเกิดแล้วก็ดับไปออกไปเกิดแล้วก็ดับไปออกไปเนี่ยคืออนจัง ไม่เท so ี mm ่ยงทุกขังค <omatic survival> <stereotypes> <ged> <plays> <ence> ือทนอยู่ในสภาพเดิมนอยู่ในคันตลอดไปไม่ได้ทุกขังคือมันจะขังอยู่ในคัน่ะตลอดไปไม่ได้อนาตตาคือจะไปบังคับมันก็ไม่ได้คันเนี่ะไอ้ใจเนี่ยมันเป็นคันไอ้คันนจะไปบังับบังคับอะไรเด็กกันบังคับไม่ได้เพราะมันมีหน้าที่มารองรับให้เด็กได้เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปคันแล้วมันจะไปบังคับอะไรเด็กไม่ได้มันเป็นอนาตตาไม่อยู่ในบังคับของคัน เรียกว่าอนัตตาไอ้คันจะบอกว่าเฮ้ย mm. ไอ้เด็กคนนี้อยเพยิ่งออกไปนะเราชอบอาการที่มันปโป่งโรคเบาวสบายเนี่ยคือเด็กตอนนี้ที่เข้ามามีอาการโป่งโลคเบาสบายอย่าออกไปนะเราชอบเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปไม่สบายใจใจสบายสบายอยู่อย่าออกไปนะไอ้เด็กคนเนี้ยชื่อเด็กไอ้อาการนั้นเด็กที่สบายใจมาเกิดอยู่ไอ้คันไอ้คันก็เลยบอกว่าเฮ้ยไอ้เด็กคนนี้อย่ออกไปฉันชอบ mm. ไอ้คันก็ไปทําอะไรกับเด็กไม่ได้เพราะเป็นอนัตตาคือไม่อยู่ในบังคับเดี๋ยวไอ้เดี๋ยวความไม่สบายใจก็เข้ามาแทนที่ มันก็จะสลับกันไปอยู่เงี้ยตลอดอพระฉะ้นจะไปประครับว่า เ, เด็กที่อยู่ในคันต้องเป็นเด็กที่สบายใจอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้มันต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเั้นถ้าเราไม่เราเข้าใจผิดกระถูกเหมือนเข้าใจยังไงเราเข้าใจว่าไออาการของใจที่มันเกิดขึ้นในใจเนี่ยเป็นตัวใจเลยจริงจริงเนี่ยที่บอกว่าระหว่างสิ่งที่ถูกรู้กับไอผู้รู้เนี่ยที่ก่อนพยายามพูดเรื่องสิ่งที่ถูกรู้กับผู้รู้เนี่ยก็คือ เราไปเข้าใจเอาไว้อาการของใจเนี่ยมันเป็นตัวใจซะเป็นตัวคันแทเราไม่เอาอาการของใจที่มันมันมีความสบายใจบ้างไม่สบายใจบ้างพาเป็นเด็กในคันแทเราเอาพอมีอาการอะไรเกิดขึ้นในใจเราเอาเป็นตัวใจจริงๆเป็นตัวคันจริงๆว่าตอนนี้ใจใจฉันไม่สบายตอนนี้ใจสบายตอนนี้ใจหงุดหงิดเราก็จะพยายามให้ใจเราสบายอย่างเดียวแต่ไอ้ใจสบายใจไม่สบายใจหงุดหงิดใจทุกข์เลยมันเป็นเด็กในคัน แต่ใจก็มีหน้าที่รู้ว่าตอนเนี้ยมันมีมันมีมันมีเด็กที่สบายใจมาเกิดตอนนี้มีเด็กที่ไม่สบายใจมาเกิดตอนนี้มีเด็กที่ใจว่างๆมาเกิดตอนนี้เด็กที่ใจที่มันอึดอัดขับคล้องมาเกิดตอนนี้มันเด็กที่มีความคิดนู้นคิดนี่มาเกิดเด็กตัวนี้คิดเด็กที่มีความคิดอาุณสนมาเกิดเด็กที่มีความคิดกุศลมาเกิดไอ้ใจมันมีหน้าที่รู้อย่างเดียวมันไม่มีหน้าที่ไปฆ่าเด็กไม่มีหน้าที่ไปจับอันนี้ไว้เด็กคนนี้ชอบมากเลยมันมีเด็กที่มีมีอาการว่างๆมาเกิดแล้วชอบมันมากอย่าออกไปนะอย่าไหลออกไป มันก็ทําไม่ได้มันได้แต่เออรู้ว่าตอนนี้ยมีเด็กที่มีความรู้สึกว่างๆเบาๆมาเกิดอ้าวตอนนี้มีความรู้สึกว่หนักๆมาเกิดตอนนี้มีเด็กที่มีอาการผ่องใส Twelve, มาเนนมกิด ต, anyway. ตอนนี้มีเด็กที่อาการเศร้าหมองมาเกิดอาการทุกอาการเนี่ยเป็นเด็กที่มาเกิดในคันทั้งหมดแต่คันเนี่ยก็มีหน้าที่รู้ว่ามีอะไรมาเกิดแล้วก็จากไปจากไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปความเข้าใจผิดของพวกเราก็คือว่าเราไปเอาอาการเนี่ยมาเป็นคันจริงๆมาเป็นใจจริงๆเราเลย อันไหนชอบอันไหนที่มันถูกใจเราอาการที่ถูกใจเราเลยเอาเป็นใจเราเราก็รักษาใจเราไว้ให้มันสบายนิ่งๆสบายนิ่งๆแล้วพอเราจะไม่ให้มันเปลี่ยนไปพอมันไม่สบายปุ๊บเราเลยอึดอัดคับข้องเพราะว่าเราทําใจนิ่งๆไว้เลยมันมีอาการเลยมีอาการมีปัญหาต่อใจมีปัญหาต่อระบบระบบการคิดระบบประสาทเพราะอะไรเพราะว่าเราไปเข้าใจว่าอาการเป็นใจเราก็เลยไปทําใจให้มันนิ่งๆแล้วเราไม่คิดอะไรเมื่อกี้ที่บอกว่า เรารู้แล้วเราจะไปให้มคิดทําไมล้วก็ทําใจของเราหนิ่งให้ม่คิดอะไรใจมันนิ่งไม่ได้ใจมันได้แต่รู้แต่อาการนิ่งมันคือตอนเนี้เด็กมันมีอาการนิ่งมาเกิดแต่เดี๋ยวอาการหนิ่งมันก็เปลี่ยนไปเพั้นใจมันนิ่งไม่ได้ใจมันได้แต่รู้อย่างเดียวว่ามันมีอาการอะไรในปัจจุบันเพระฉะั้นพอเราไปเข้าใจว่าอาการเป็นใจมันเลยผิดพลาดมาหันคือเราจะทํายังไงก็ได้กับใจของเราตอนนี้เราก็ไปทําใจหนิ่ง ทำใจเบาๆทำใจว่างๆทำใจนิ่งๆเราไปทําอาการนี่มาเป็นใจซะแต่นี้่มันเลยมันเลยทํากับหัวกับหางกลับด้านนั้นตอนนี้เลยปัญหาก็เลยเกิดเวลากระทบปุ๊บมันก็เลยระเบิดอารมณ์แรงเพราะว่าเราพยายามทําอย่างนี้แต่มันคับข้องใจไม่ได้อย่างนี้มันเออกระทบแบบนี้อีกมีอารมณ์อย่างนี้อีกเราพยายามรักษาให้มันดีที่สุดแต่มันนิ่งใช่มันว่างมันเบาเลยเอามีคนมากระทบเราก็เลยระเบิดอารมณ์เพราะว่า เราไปตัวเอาอาการเนี่ยมาเป็นตัวใจดนั้นเขาเลยเปรียบเทียบไปเห็นชัดว่าไออาการทุกอาการมันคือเด็กที่มาเกิดในคันขนา น, นั้นเด็มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแต่คันน่ะมินน่าที่ได้แต่รู้ว่าตอนเนี้มีเด็กอะไรมาเกิดมีเด็กอะไรมาเกิดมีเด็กอะไรมาเกิดไอ้ใจเนี่ยมันไม่มีอาการใดๆมันได้แต่รู้อาการอาการเนี่ยไม่ใช่ใจแต่เราไปจับเอาอาการเราเป็นใจถ้าเราเยพยายามจะทําทำอย่างไงกับใจของเราก็ได้เราคิดอย่างนี้ไม่ทราบว่าเข้าใจหรือเปล่าอย่างเงี้ย แต่ละคนองนัตตาเขาจึงเรียกว่าอนัตตาเนี่ยเราไปทําไม่ได้เราจะทําใจให้เราอย่างที่เราต้องการปรารถนาทําไม่ได้เลยเรียกว่าอนัตตาคือมันไม่อยู่ในอํานาจที่เราจะทําปรุงแต่งเอาเองได้ว่าจะทําใจของเราให้เป็นอย่างไงมันทําไม่ได้เขาเลยเรียกอนัตตาดีกว่าว่าอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเปไ็นไงอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยคือเราไปทําเอาไม่ได้เพราะว่า มันเป็นธรรมชาติที่ได้แต่รับรู้ใจเนี่ยมันได้แต่รับรู้ได้แต่รับรู้รับรู้ว่ามีอาการอะไรมีอาการอะไรที่เกิดแล้เปลี่ยนไปเกิดแล้เปลี่ยนไปมันได้แต่รับรู้แต่รับรู้แค่นี้เนะี่แต่เราไปจับเอาการเราเป็นใจซะตอนนี้เราเลยว่าจะไปทําให้ได้ทำให้ใจนิ่งๆมั่งเราเรู้แล้วจะทำให้มันคิดทํำไมอย่างเงี้ยเราก็ทำใจนิ่งๆหรือบอกว่าเรารู้แล้วไปทาให้ความคิดมันดับไปใจมันไม่มีหน้านนที่ไปฆ่าอาการน้อเด็กในคันได้อาการแต่ละการเนี่ยมันเป็น มันเป็นสิ่งที่เด็กที่เกิดมาในคันคันก็มีหน้าที่ได้แต่รู้ว่ตอนนี้มีเด็กเบามีเด็กสงบมีนิ่งมีเด็กผ่องใสมีเด็กเศร้าหมองมาเกิดเริ่มก็เปลี่ยนไปดับไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเนี่ยคืออนิจจังทุกขังคือสภาพใดสภาพหนึ่งจะทนอยู่สภาพเดียวไม่ได้อนาตตาคือไปบังคับมันไม่ได้ทํำใจ น, นิ่งๆทำใจว่างๆมันทําไม่ได้ปรุงแต่งอะไรชั่วคราวก็เปลี่ยนไปอีกแหละถ้าเราเข้าใจอย่างนี้มันอะไรมันเกิดขึ้นก็ได้แต่รู้ได้แต่รู้ คือมันเป็นมันมันเป็นมดลูกเนี่ยมันไม่ได้เป็นเด็กมันก็ได้รู้รู้แต่อาการว่ามีอาการอะไรขนาดตามความเป็นจริงในปัจจุบันมันมีหน้าที่ไปฆ่าเด็กในคันคือไปทําหน้าที่อย่งนี้เรารู้เราต่ให้มันคิดทําไมแล้วก็ทำใจจริงจงเฉยเยไม่ต้องมันคิดอะไรอันนี้เขาใจผิดทําไม่ได้เพราะว่าคันไม่มีหน้าที่ไปฆ่าเด็กในคันแล้วไม่มีหน้าที่ไปเลือกเลาเด็กในคันว่าจะเอาแต่อาการที่ถูกใจอาการที่ไม่ถูกใจไม่เอาเด็กมันสลับจะเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยใจก็มีหน้าที่แต่รู้ อย่างเงี้ยมันจะงงก็เปนะล่าเลยนะเราว่ามันมันน่าจะเข้าใจง่ายมันคิดมันจะเก็ตแล้วเนี่ยมันนิดเดียวเดียวสิว เ, ว <S <S เราผิดฝาผิดตัวกันะมันกลับด้านกันนิดเดียวในึวามเข้าใจอ่ะรู้จักเข้าใจเลยไม่เข้าใจเลยไม่ว่ายัางไงหรือว่าจะเข้าใจขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างไรฝาแล้ ว, ขวเข้าใจขึ้นไหมกว่ารเข้าใจขึ้นไหม อ่าอ่าอ่เอามยอามวยบ้างไงเข้าใจแล้วจะปฏิบัติงไงเนี่ยลองที่อ่าเราจะดูที่ว่าเข้าใจจริงก็เปล่าแล้วอ่าเข้าใจแล้วปฏิบัติยังไงอ่ะเข้าใจว่ายังไงรูปของแบบว่าขันกับความคิดเนี่ยครับผมผมพอพอจะเข้าใจครับแต่ท <c oughs> <ะ>ีแต่ลองไปลองลองดูทีนี้ผมบางทีมันค่อยจะมันึกถึงขันกับความคิดเนี่ยผมพยายามจะให้แยกกันอยู่ คิดอย่างนั้นครับแล้วตอนนี้เข้าใจอย่างตอนนี้เข้าใจอย่างหรือว่ายังไงเแล้วมันมันยืนในความคิดก่านเข้าใจเดิมอยู่เดียเดียวเดียวคือว่หวานจดจ่ออยู่กับไอ้ไอ้ปัญหาของตัวเองเลยมันปัญหาในใจของตัวเองมันจดจ่ออยู่ เราฟังมันก็เลยก็มันมันมันมันมันคิดถึงแต่ปัญหาของตัวเองอยู่เด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเออจ้ะแต่แต่มันมันยังไม่มันยังไม่ตรงนะมันตรงไปแต่จะจะเค็นออกไปก็ลําบากจะเขนคล้ายๆกับว่าเรายังมีมันมันคล้กับปัญหาเนี่ยยังไงอ่ะมันคือพยายามจะบอกปัญหาที่เราเป็นอยู่ที่เราก็จะอยู่ที่ติดนี้ ประเด็เหมือนกับมันตรงกันข้ามคือเราพยาเจะบอกปัญหานี้ท่านนี้ก็บอกพยาเจะบอกปัญหาเรามันก็เลยแบบว่าเราพยาเจะบอกปัญหาเนี้ยแ่มันจะแก้ด้วยอย่างนี้แต่ว่าปัญหาตรงนี้มันยังไม่ได้แก้อะไรยเงี้ยต้องเข้าใจแสดงว่าแต่ละแต่ละคนมันเป็นเหมือนกันหมดนะแต่ทีจะไม่ได้พูดออกมาเพื่แสดงว่าแต่ละคนเนี่ยอธิฟังเนี่ยมันมันแต่ละคนเนี่ยมันคงคิดใครคิดมันเราว่านะ คงเป็นเหมือนกับหมดทุกคนเลยเนี่ยไม่เป่นใจกับเจ้หว่าทุกคนเลยคือมันคิดใครคิดมันอืคิดใครคิดมันคือตัวเองคิดเรื่องปัญหาของตัวเองอยู่เหมือนกันทุกคนเลยตัวเองคิดเรื่องปัญหาของตัวเองอยู่จริงๆเมื่อฟังมันมือนก็ฟังอะมันก็จะฟังอยู่แต่มันเหมือนกับแต่น่งคิดปัญหาของตัวเองอยู่ใช่ไหมเราฟังแล้วเนี่ยเราสังเกตดูมันเป็นอย่างจริงๆเพราะว่าทุกคนเนี่ยคือมันคิดถึงปัญหาของตัวเองอยู่ มันเลยฟังเหมือนเหมือนฟังอยู่นะแต่จริงๆไงคิดปัญหาของตัวเองอยู่มันคิดซ้อนกันคือมันมันมันมันไม่ได้ฟังนะแต่ทุกคนก็เป็นเหมือนกวานะไม่ใช่ว่าเป็นกวางแค่เดือนนะคือเราฟังเราสังเกตดูแล้วทุกคนก็เป็นอย่างงี้แหละคือทุกคนคิดเรื่องของตัวเองแต่ก็ามามาถามทางอนะ่ะมาถามทางเราบอกว่ า, วาหลวงตาไอ้ไอ้ทางทางจะมาวัดธรรมสัมพอะ่ะมันจะมาทางไหนอ เราก็บอกว่ามาทั้งนี้มาทั้งนี้มาทั้งนี้มาทั้งนี้แต่แต่ละคนเนี่ยมันคิดปัญหาของตัวเองว่าฉันจะมาเส้นเนี้ยแต่บรรดาพญาก็บอกว่ามันมาอย่างนี้อย่างนี้มาถึงพระธาตุสมุทรแต่ที่มันเหมือนฟังฮะแต่ฉันจะมาเส้นเนี้ยแล้วก็จบเสร็จไอ้เส้นนี้มันจะมายังไงเดี๋ยวได้กลับไปไปทบทวนก่อนที่เราบอกแต่บนกระจีมันเหมือนฟังแต่ความจริงเนี่ยมันไม่ได้ฟังคือ ทางมันไม่ชัดเจนอยู่ในใจเลยแต่มันคิดว่าจะได้กลับไปทบทวนที่ได้กลับไปทวนเราก็เห็นอะไเลยแล้วว่ามันไม่เห็นทางหรอกเพราะว่ามันไม่ได้ฟังคือทางนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะมาซับซัอมืดจะมาอย่งไรถูกมันไม่ได้ฟังแต่ละคนไปคิดแต่ปัญหาของตัวเองอยู่มันก็เลยถึงแม้จะฟังแล้วกลับไปทำมันก็ทําให้ถูกเพราะว่ามันมันเหมือนฟังแต่มันฟังแล้วเข้าไปถึงใจ พอให้ทบทวนเน่ยที่บอกอะไรว่าเมื่อกี้ที่ฟังไปเป็นยังไงมันแต่ละคนพูดออกมามันพูดไปมันพูดไม่ตรงพูดไม่ตรงว่าพูดไม่ตรงคือมันมันพูดแล้วบอกทางที่จะมาพระธรรมสมึบอกไม่ถูกมันได้แต่เป็นความซอนจําเอาแต่มันยังไม่เป็นความใจมันไม่รู้สึกถึงจริงๆว่าโอ้ใช่เลยเอนี่ผมผมบอกได้เลยผมบอกแทนได้อย่างเงี้ยแต่ละคนเนี่ยมันมันคิดอยู่มันคิดเรื่องของตัวเองอยู่ไอเนี้ยเป็นเป็นปัญหามาก เขาเรียกว่ามันมันเป็นความฟุ้งซ่านซ้อนอยู่มันมันเลยฟังทํามไม่รู้เรื่องก็ที่ที่ไอ้ไอ้ไอโสลดปัญหาที่ว่าสิบหกคนอะ่ะที่พามาลีไปไ ป, ไปให้ไปฟังธรรมพระเจ้าให้แต่งปัญหาไปคนละคนอะ่ะไอ้สิบห้าคนมันตั้งใจฟังจริงๆบอกให้ตอบมาเลยพระเจ้าตอบมาว่าถามอย่างเงี้ยตั้งใจฟังจริงจริงให้เจ้าตอบตัวเองไม่ไปคิดซ้อนไว้ในใจไนงะไปนั่งคิดซ้อนในใจ พออย่างเงี้ยดั่งคิดตอนในใจเห็นจะจัดเลยเห็นดั่งคิดตอนในใจเนี่ยไม่ได้ฟังนี่พอพอพุทธเจ้าพอพุทธเจ้าตอบปุ๊บก็เลยไปลุกไปเลยเพราะว่ า, วามันตั้งใจฟังจริงขอพระุทธเจ้าตอบไป ท, คไปทีคําถามนี่ตอบบเก็บไปเลยแต่ตอบแล้วมันแต่อีกองคหนึ่ง ม, มันได้ฟังอีกคนห น, นึ่งอะมันคิดวโอ้โหพุทธเจ้าตอบแบบนี้หมลุงน่าจะมาฟังนะเนี่ยแบบเนี้ตอบแบบจะลุงมาฟังเองมันจะ มรรลุเลยพอตัวเองถึงตัวเองถามอ่ะปุริจะตอบมันเลยไม่ใจมันฟุ้งซ่านมาเลยไม่ไม่ไม่ไม่เข้าใจกลับไปเลยไม่ได้ตัองค์นี้คนนี้ไม่บรรลุเลยไม่บรู้ลุอะไรมันคิดซ้อนอยู่คือตอนที่พี่เจ้าพูดสอนเนี่ยมันคิดซ้อนอยู่ในใจมันคิดคิดถึงลุงมันมีความฟุ้งซ่านปิดเอวทบายสอนปุ๊บมันฟังไม่รู้เรื่องเลยคือมันมันคิดถึงปัญหาของตัวเองอยู่ เฮ้ยทำไมเราฟังแล้วเรากลับไปทําจริงไม่ได้ทีที่เราพยายามสุดแต่มันก็คือสกิดอะไรในใจเนี่ยเหมือนท่านนั้นเมื่อเมื่อเห็นเมื่อเมื่อเย็นเนี่ยสีว่าโอ้ยที่เราพยายามพูดสอนเนี่ยกระจี้ใสท่ท่านนันท่านนันก็บอกว่าโอ้ยแต่คิดซ้อนในใจว่าคือเรายังปฏิบัติไม่ไม่ถึงอย่างที่อาจารย์พูดหรอกบางทีแต่อย่าเเราปฏิบัติไม่ถึงที่อาจารย์พูดหรอกมันไปคิดซ้อนอยู่อย่างเงี้ยพอเราสอนอยังไงมันก็ไม่ฟังมันไปตัดอยู่ในใจว่า เราปฏิบัติมาไม่ถึงที่อาจารย์พูดแร้วไม่ถึงที่อาจารย์พูดแล้วมันไปตัดหมดเลยพอเราพอตอนจบเอาฉันั้นพูดเจ้าว่าไงฉะนั้นไม่รู้เรื่องเลยเราพูดไปต้องโยยะต้องสูงมาเลยฉันนั้นพูดพูดลงมาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธลงมาข้างล่างนี่มาอยู่ที่คําบริกรรมนี่ฮพูดจนถึงไอ้ขั้นนี้ที่ที่นั่งคุยกันเนี่ย ทันนั่งย้อนลงมาถึงบริการพู้โถพผู้โถมผู้โถมแล้วก็ไม่ไม่ให้จิตมันหลงไปใช่ไหมเราไม่ได้พูดถึงตรงนี้เลยว่านั่งนี่นั่งคุยกันตั้งนานเนี่ยตั้งครึ่งวันก้อนวานเนี่ยมันไม่ได้พูดตรงนี้เลยและไอ้ตรงนี้มันมาจากไหนตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวมันต้องมาย้อนไปถึงบริผู้โถมไม่ให้จิตมันหลงอะไรไปมันไม่ได้พูดถึงเรื่องตรงนี้เลยตอนนี้อ้าบอกว่าท่นนั่นไม่ได้ไม่ได้ฟังเลยเลยตอนที่ที่พูดมาผู้ก็ตั้งนานเนี่ยมันฟังอยู่แต่คิดว่า มันไม่มไม่มันไม่ไปไม่ไม่ถึงอย่างที่อาจารย์ว่าเราโอ้โหเว้ยตายแล้วไปคิดสอนแบบนี้มันไปนตัดบทเลยนะเดี๋ยวไม่ตัดบทเ อ, อ้ทุกคนก็เป็นแบบนี้นะทั้งที่เ อ, อ้มันเป็นระบบที่การสอนเป็นระบบที่การฟังมันมีปัญหาตรงระบบระบบการสอนการฟังจัดแรกตรงเนี้ยเลยเราให้ ไปถอดออกไอ้ท่านั้นนะไปนิฐานถอนออกไอ้ความคิดตรงนี้มันกลายเป็นมันกลายเป็นอธิษฐานจิตไปแล้วอคิดจะย้ำย้ำเข้าไปเป็นอธิษฐานจิตว่าเราปัญญาเรายังไม่ถึงที่อาจารย์พูดหรอกเราบารมีไม่ถึงอาจารย์บอกแบบนี้ยังไงก็เอ้ยเราไปไม่ได้เราบารมียังไม่เราไม่เราไม่ไม่ถึงอย่างที่อาจารย์พูดหรอกมันกลายเป็นอธิษฐานจิตปิดกั้นไปเลยปิดกั้นเราเลยต้องใครไปแก้ไปนิฐานไปขอเข้ามาที aces, ่บเจดี แล้วก็เปิดใหม่เปิดให้หมดห้ามปิดท่ามกักเอาไว้เออแต่พอไปไปที่ฐานแล้วก็เามื่อกีก้ก่อนจะกลับไปก็ดีขึ้นดีขึ้นพอทิฏฐานเสร็จปุ๊บทำก็ปรากฏแก่ใจไว่ให้ปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยอย่างวุ่นเนี่ยอย่างงุ่นอย่างเนี้ทยทำเขาก็บอกว่าแต่จะลุกมาหาเราจะลุกบริสารจบแล้วจะลุกมาทำเขาก็บอกว่าเป็นความเป็นความรู้สึกเป็นเสียงเป็นความรู้สึกว่าอย่าเพิ่งลุกไปให้ใ ห, ให้รู้ให้ชัดๆัดตรงเนี้ย ไอ้ใจมันเที่ยงธรรมอย่าเข้าไปเกาะ อ, อะไรต้องสองฝั่งเออบอก น, นี่เนี่ยเดี๋ยวมื่อพอเปิดปุ๊บอาจารย์ก็สอนในใจเลย น, นี่ยแนะอันนี้คือพบอาจารย์ตัวจริงแล้วแต่ตัวเราเป็นตัวปลอมคือเรายังเป็นเพียงแค่อาจารย์สมมติภายนอกแต่ทำเขาปรากฏเลยวย่าเดี๋ยวพิ่งลุกไปให้เห็นตรงนี้ชัดๆอันนี้ใจที่เป็นกลางกับทุกสภาวะอย่าหลงไปอย่าติดไปกับอะไรแค่ตรงนี้เนี่ยไอ้ปฏิบัติแค่ตรงนี้แล้วก็จะเอาใจแล้วจะ ท่านั้นนั่นก็ยังามกังวลว่าแล้วมันจะมันจะถึงที่สุดเองทุกได้และได้พู่างอยู่บนนู้นก็มีผู้บอกหมดเลยสอนเขาหมดแล้วลงมายมาบอกเราไอ้เรานี่ยมันไปปิดไว้ไงมาปิดไว้เวลาเวลาพอพอไฟเปิดปุ๊บก็มีผู้สอนทันทีพาพูดประทาประสงค์อยู่ในธรรมชาติเนี่ยแต่เราไปปิดกั้นของเราเองอ่ะเราโมติคิดในเรื่องของเราอะไรปิดกั้นหมด มันเกิดเป็นระบบระบบของทําที่ใจไม่เปิดพอใจไม่เปิดปุ๊บมันทํามันไม่ไหลเข้าไปไม่ไหลเข้าไปสู่ใจเพราะว่าเราเราคิดอะไรอยู่เราเราเราเข้าใจอะไรอยู่มันเราต้องต้องล้างความเข้าใจใหม่แล้วเปิดใหม่อย่างเงี้ยไอ้นี่ไม่รู้จะพูดยังไงมันไอ้ระบบแบบเนี้ยมันเหมือนกับว่ายังไงอะเรามีความเข้าใจเราอยู่อย่างหนึ่งอะไรเงี้ยมันมันเป็นระบบที่ ที่จะต้องตเอาหมาใหม่ยต้องต้องจะจะแก้ยงไงเรงตรนี้อืมือนเหมือนกรูครูอ่ก็เป็นเป็นครูก็จะรู้ด้วยละเวลาเราสอนเด็กแล้วเด็กเขามีอะไรอยู่ในใจเราสอนเด็กก็จะไม่เราก็สอนเด็กเด็กไม่สอนเด็กไม่รู้เรื่องเด็กมันก็ไม่รู้เรื่องเพราะเด็กมันมีปัญหาอะไรอยู่ในใจมันแก้แค่เป็นง่ายนี่ฮะมันแค้แค่กับว่าไอเราเปรียบมันแค้ไอไอวงสวิงอ่ะที่ก็เลาไปไปจ้าโปมาสอนตีกรอบอ่ะ โป้เขาจะถามก่อนว่าเราเนี่ยเคยตีกอล์ฟมาก่อนหรือเปล่าเคยเคยจับไม้กอล์ฟมาก่อนไหมถ้าเราเคยจับไม้กอล์ฟมาแล้วตีตีผิดผิดถูกถูกมาแล้วเนี่ยก็ไม่ไม่อยากสอนให้เพราะว่าเราสอนยากคือเราเราเรารู้รู้รู้ผิดผิดถูกถูกมาเยอะใช่ไหมเราจะสอนยากพอพอโป้เขาจับมือจับมือให้ตีวงสวิงเนี้ยพอโป้เขากลับไปอ่ะ ไอ้วงสวิงที่เขาสอนเนะี่ยมันหายไปเรากลักบเตี๊ยงเกา่าโป ก, ก็มาเห็นเราเอ้ยไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกทำไมกลับไปตี๊ยงเก่าแล้วเอาใหม่โป ก, ก็มาจับมือเราบอกว่าให้ขึ้นแบบนี้แล้วก็ตีแบบนี้ลงแบบนี้แล้วก็ตีแบบนี้เอาโป ก, ก็พยายามจับมือเราจับนี้แต่เราจําแบบเก่ามาไงเราจําที่ผิดผิดมาไอ้ตรงเนี้ที่ว่ากลับไปแล้วมันปฏิบัติมันไม่เห็นไปยังไงบน่บนๆก็เพราะว่าเราจําที่ผิดผิดมาไงเรายังไม่ได้เปิดใจแบบที่โปก็สอนใหม่ คือเราในเปิดจใจใจให้โปก็สอนใหม่แต่เราไปจำไอ้มมที่ผิดเก่าพอโปกลับไปเราอุตส่าห์เสียเงินทั้งแพงจ้างเขาสอนอะ่ะพอก็กลับไปอะ่ะเราก็ตีอ่ากเก่าอีกพอเขากลับมาบอกใหนตีให้ดูสิตีให้ดูก็ตีอย่างวงเราอะ่ะไม่ตีอย่างวงเขาสักทีเอ้ยเราจ้างเขามาทําไมเสียเงินทั้งเยอะๆเขาก็เลยไม่อยากจะสอนโอ้่ะจ้างเขามาทั้งเยอะเนี่ยเราเรากลับปรากฏว่าเขาสอนแล้วเราก็กลับมาตีวงเก่าเราเขาสอนแล้วก็กลับมาตีวงเก่าเรา เลยเราท้ายสอนยังไงเราไม่ไปยังไง เ, เราตีอย่า ง, งาของวงเราเพราะว่าเราจำอย่างที่ผิดๆบางไงเพราะฉะนั้นเวลาไปหาหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านต้งบอกว่าไอ้ที่รู้อะไรมาและที่เรียนอะไรมาเนี่ยพอมาถึงหน้าเวลาเนี้ยมาฟังเนี่ยต้องทิง้งทิ้งความรู้เกา่าไปหมดแล้วก็ตั้งใจฟังอันใหม่เรื่อยไปที่รู้อะไรมาเข้าใจอะไรมาหมดพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บต้องทิ้งให้หมดแล้วก็ตั้งใจฟังอันใหม่เนี่ยผมมันไปเอาไเอเ้ไอ้ของเก่ามาทับกับของใหมมันก็เลยกลายเป็น มันตีวงสวงวินเก่าอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยมันต้องต้องล้างล้างแล้วก็เอาใหม่เรื่อยไปล้างแล้วเอาใหม่เรื่อยไปออย่างเงี้ยคือล้างต้องล้างเก่าเรื่อยไปแล้วเอาใหม่ล้างเก่าเพอพพูดตอนนี้ฟังตอนนี้พูดตอนนี้ฟังตอนนี้พูดตอนนี้ฟังตอนนี้อย่างเงี้ยต้องล้างเรื่อยไปเป็นอหลวงพุทธเทียนน่ะเวลาท่านบอกกับลูกศิษย์ท่านอ่ะเอ๊ะเองปฏิบัติแบบนี้นะแล้วท่าก็เดินเดินไปแต่พอท่านเดินไปปุ๊บ ท่ามีความรู้สึกว่า hey, เออเอไม่ต้องปฏิบัติแบบนี้แล <_ d ream> ้เดี๋ยวนีว้เน้ยไอที่ข้าบอกเมื่อกี้ไม่ต้องเอาแล้วเอาปฏิบัติใหม่แบบเนี้ไอเฮลูกศิษย์ก็บอกว่าไอที่พูดเมื่อกี้ยังไม่ทันทําเลยอ๋อไงไม่เป็นอย่างนี้เน่ยคือไอที่พูดเมื่อกี้ไม่ทันทำเลยพอท่านเดินทางหลังไปพรท่านท่านมีความรู้สึกอะไรในใจระบายอย่างพวกท่านหลนกลับมา <_ d ream> เออไอที่พูดเมื่อกี้เองไม่ต้องทําล้ไอทําแบบใหม่เนี่ยท่านอย่างเงี้ยไอของเก่ายังไม่ทันทำเลยคือมันต้องพร้อมจะเปลี่ยนตาม อาจารย์ได้ตลอดเลยตลอดเวลาว่าไอ้ของเก่าอย่าอย่าเอามาแล้วก็จะมันก็ไปได้เลยตอนนี้ยไปตามกันไปได้ไปแค่าตามไปอาจารย์ไปไหนไปได้เลยแต่เราของเก่ามาด้วยเนี่ยเออผมยังตรงนี้ผมยังยังไม่เข้าใจเลยอาจารย์อาจารย์ไปแล้วลากไปแล้วแต่นี้ยังเอ้ยตอนนี้ไม่เอาผมยังเก็บภาระไม่เสร็จผมยังเก็บตรงนี้ไม่เสร็จอ่ะยังไม่ตามไปแล้วที่เออแต่ไอ้ตรงนี้เราก็ไม่รู้อันนึงคือมันเกิดจากอะไรใช่ เวลาสอนทุกคนมีมีความคิดไว้ในใจของตัวเองปัญหาของตัวเองไว้ในใจคือมีเป้าหมายมีความคิดมีมีวงทวิงเก่าของตัวเองตรงนี้เนี่ยที่มันบอกว่าเอ๊ะทาไมกฟังแล้วฟังเราสอนแต่มันฟังเนี่ยมันเหมือนฟังแต่ความจริงไม่ได้ฟังกลับไปวงทวิงเก่ากลับไปสู่ความเข้าใจเก่าก็ฟังวางฟังฟังฟังเหมือนท่านนั้นกันเหมือนกันเนี่ย ฟังมาตั้งหลายสิบปีเป็นสิบสิบ ป, ปีนะสนัานไม่รู้ติษย์เราเนี่ยโอ้โเข้าใจตัวละเอียดมากเลยบางครั้งเขาเข้าใจจนกระทังออกไปสอนหน้าห้องได้เลยละเอียดมากเลยเห็นจิตละเอียดมากเกิดดับไปขณะเลยละเอียดมากเลยอยู่ๆเนี่ยกลับไปเริ่มต้นใหม่ไปเข้าสํานักนน้นออกสํานักนี้เข้าสํานักนี้ออกสกําส น, น, ออสนักนั้นบ้าทั้หมดเลยเอ้าทำไมเป็นอย่างนี้ย มันก็วนอยู่อย่างเงี้ยวนไปวนมาอย่างเงี้ยแปลกมากเลยจริงๆอ่ะเบ่อดึกแล้วเอาไปไปไปไปพักผ่อนกัน